โลกที่ร่างกายของพวกเราตั้งอยู่กันในขณะนี้เรียกว่าโลกกัธาตุธาตุก็คือธาตุสีดินน้ำลมไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกนี้ที่เป็นโลกนี้ ล้วนเป็นธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งหรือธาตุทั้งสี่มารวมกันเช่นร่างกายของพวกเรานี้ก็เป็นการรวมตัวกันของธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟต้นไม้ก็เช่นเดียวกันมีธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟ จึงทำให้เกิดมีต้นไม้ใบหญ้าต่างๆขึ้นมาส่วนธาตุดินที่อยู่ตามลําพังไม่รวมกับใครก็เป็นพวกดินทั้งหลายธาตุน้ำก็คือน้ำทั้งหลายเช่ น, น้าในแม่น้ำลําคลองอันนี้ไม่ได้รวมกับใครก็เป็นธาตุน้ำตามลําพังธาตุลมก็ลอยอยู่ในอากาศน เวลาลมพัดไปหลมพัดมาก็เรียกว่ามีธาตุลมลมที่เราหายใจเข้าหายใจออกทางจมูกก็เรียกว่าธาตุลมธาตุไฟก็คือความร้อนอุณหภูมิร่างกายเรามีความร้อนมีธาตุไฟอยู่เวลาไม่มีธาตุไฟเช่นเวลาร่างกายตายไป ร่างกายจะเย็นนี่คือเรื่องของร่างกายของพวกเราทุกคนประกอบด้วยดินน้ำลมไฟอยู่บนโลกของดินน้ำลมไฟโลกกลมๆที่ลอยอยู่ในอวกาศนี้ที่เราเรียกว่าโลกเนี้ก็มีแต่ดินน้ำลมไฟส่วนอีกส่วนหนึ่งของร่างของชีวิตของพวกเรา นี้ไม่ได้อยู่บนโลกธาตุนี้เอกส่วนหนึ่งของชีวิตเราคืออะไรก็คือธาตุรู้คือผู้รู้ผู้คิดผู้มีความรู้สึกผู้นี้ไม่ได้อยู่บนธาตุไม่ได้อยู่ในโลกธาตุนี้แต่อยู่ในโลกทิพย์ไม่ได้อยู่ในร่างกายอันนี้ แต่เป็นผู้สั่งให้ร่างกายอนี้ทําอะไรต่างๆได้และเป็นผู้รับรู้สิ่งต่างๆที่ร่างกายนี้รับรู้เช่นรู้ภาพรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสต่างๆที่มากระทบกับร่างกายเพราะธาตุรู้นี้มีมีตัวมาเชื่อมรับข้อมูลต่างๆจากร่างกาย ตัวที่มาเชื่อมนี้เราเรียกว่าวิญญาณวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกทางลิ้นทางกายมาเชื่อมติดอยู่กับร่างกายพอร่างกายเห็นภาพก็ส่งภาพไปให้ที่ใจด้วยวด้วยวิญญาณแล้วก็ส่งความรู้สึกผ่านที่ร่างกายได้รับรู้ไปให้กับใจด้วย เช่นเวลาร่างกายาทุกก็ส่งไปจิตก็มีตัวรับรู้ความรู้สึกเรียกว่าเวทน า, าตัวธาตุรู้นี้มีมีลูกน้องมีเจ้าหน้าที่อยู่สี่คนที่คอยรับเรื่องและคอยสั่งการตอบ ตอบโต้กับร่างกายสั่งการให้ร่างกายรับข้อมูลทางร่างกายส่วนที่รับข้อมูลก็คือวิญญาณกับเวทนาวิญญาจะรับรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสทางร่างกายแล้วเวทนาก็จะรับรู้ความรู้สึกที่ได้เกิดจากการรับรับรูปเสียงกลิ่นรสโภชนะ เช่นเวลาร่างกายหิวอันนี้ก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่งเวลาร่างกายอิ่มก็เป็นเวทนาอีกอย่างความรู้สึกเวลาร่างกายเจ็บเวลาร่างกายไม่เจ็บเวลาร่างกายร้อนเวลาร่างกายหนาววิญญาณนี้จะเป็นผู้รับพร้อมกับเวทนาความรู้สึกเป็นผู้รับสองอย่าง รับทั้งภาพรับทั้งรูปเสียงกลิน่นรสผดถภาและรับความรู้สึกที่เกิดจากการได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิน่นรสผดถภาเช่นเวลาตาเห็นรูปบางอย่างก็ทําให้เกิดสุขเวทนาขึ้นมาเห็นรูปบางชนิดก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาแต่ความรู้สึกนี้ไม่ได้อยู่ การรับรู้ความรู้สึกนี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่จิตอยู่ที่ธาตุรู้ธาตุรู้นี้รับรู้ความรู้สึกต่างๆของทางร่างกายด้วยเวทนารับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆด้วยวิญญาณแล้วก็มีสัญญาคือความจำได้หมายรู้อันนี้ก็จะ เก็บข้อมูลต่างๆที่ได้รับรู้ของทางร่างกายมาเก็บไว้ในใจจดจำเอาไว้เผื่อเวลาโอกาสหน้าได้พบได้เห็นอีกก็จะรู้ว่าเป็นใครเป็นอะไรเรียกว่าสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นครั้งนี้เห็นภาพเห็นรูปเป็นครั้งแรกไม่รู้ว่ารูปอะไร แล้วต่อมาก็ได้รู้ว่าเป็นรูปของคนนั้นชื่อนั้นชื่อนี้สัญญาก็จะเก็บข้อมูลนี้ไว้ในใจพอโอกาสหน้าเห็นรูปแบบเห็นรูปคนนี้อีกก็จะจำได้ว่าคนนี้คือใครการจำได้หมายรู้นี้ก็อยู่ในใจเรียกว่าสัญญาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งของใจ คือสังขารความคิดปุงแต่งสังขารนี้จะเป็นตัวที่จะสั่งการไปที่ร่างกายให้ทําอะไรให้เดินไปมาให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้วิ่งให้เดินให้นั่งให้ยืนให้รับประทานให้ดื่มน้ําให้ทําอะไรต่างๆอันนี้คือตัวสังขารความคิดปุงแต่งเป็นตัวสั่งการให้ร่างกายเคลื่อนไหวทําอะไรต่างๆได้ อยู่ที่ตัวสังขารนี่คือองค์ประกอบของชีวิตของพวกเรามีอยู่สองส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเรียกว่ารูปคือร่างกายที่ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟส่วนที่สองเรียกว่าใจที่มีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่คอยรับข้อมูลและสั่งการไปที่ร่างกาย รับข้อมูลจากร่างกายและสั่งการไปที่ร่างกายคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมกันเราก็เรียกว่าขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันทั้งห้านี้ก็จะทำหน้าที่ไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาร่างกายนี้ก็มี อายุขัคือไม่ได้เป็นของที่ถาวรมีเกิดแล้วก็มีแก่มีเจ็บมีตายพอตายร่างกายที่เป็นร่างกายนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นดินน้ำลมไฟแทนจะกลับคืนสู่สภาพเดิมมาจากอะไรก็กลับไปสู่ส่วนนั้นเวแบบลาร่างกายของเราตายไปมันก็จะ แยกตัวกันธาตุทั้งสี่ก็จะแยกตัวกันออกไปธาตุไฟก็ไปก่อนนะธาตุไฟธาตุดมนี้จะไปก่อนธาตุไฟก็ทำให้ร่างกายนี้ไม่อบอุ่นไม่ร้อนทำให้ร่างกายนี้เย็นเฉียบเพราะไม่มีธาตุไฟเหลืออยู่ธาตุน้ำก็จะซึมไหลออกมาจากร่างกายธาตุมก็จะระเหยออกมา ออทิ้งไปนานๆเข้าก็จะเหลือแต่ธาตุดินที่จะผุจะพังกลายเป็นดินไปส่วนธาตุรู้คือใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วก็เจ้าหน้าที่ของธาตุรู้คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ได้ตายไปยังอยู่กับใจยังทำหน้าที่ของ ให้กับใจได้นี่แทนที่จะรับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆผ่านทางร่างกายก็จะไม่ได้รับเพราะไม่มีร่างกายที่จะส่งที่จะส่งรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้ก็เลยใช้รูปทิพแทนรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพได้เวิยญาณก็ไปรับรู้รูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพได้ เช่นเวลาที่ร่างกายนอนหลับใจก็ฝันไปถึงเรื่องราวต่างๆฝันว่าไปกินที่นั่นไปรับประทานอะไรที่นูน่นไปอยู่กับคนนั้นไปอยู่กับคนนี้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอันนี้ไปเรียกว่าไปด้วยไปเสพรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ โดยที่ไม่ต้องผ่านทางร่างกายเพราะไม่มีร่างกายหรือว่าร่างกายพักผ่อนหลับนอนจิตก็ยังอยู่ใจก็ยังอยู่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ยังอยู่ยังทําหน้าที่อยู่เหมือนเดิมไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่ท่านบอกว่ามันไม่เที่ยงก็คือว่ามันเกิดเกิดดับดับมันทาหน้าที่แล้วมันก็ หายไปแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่เช่นวิญญาณก็รับรู้รูปพอไม่มีรูปให้รับรู้วิญญาณที่รับรู้รูปก็หยุดพักชั่วคราววิญญาณที่รับเสียงรับกลิ่นรับรสก็เหมือนกันเวลาไม่มีกลิ่นให้รับมันก็ไม่ได้ทำงานก็เหมือนกับมันเกิดดับเกิดดับคือมันทางานแล้วหยุดทางานไปตามเหตุตามปัจจัย ถ้ามีรูปมาสัมผัสกับตามันก็จะทำงานมันก็จะรับรู้รูปแล้วก็ส่งไปที่ใจใจก็ไปใช้สัญญาไปรับรู้ว่าเป็นรูปอะไรมีแล้วก็เวทนาก็รายงานว่าเป็นเวทนาแบบไหนเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรือไม่สุขไม่ทุกขเวทนา ทุกครั้งที่เราเห็นรูปนี้มันจะมีทั้งมีเวทนายอย่างใดอย่างหนึ่งเวทนาสุขก็มีบางทีเห็นรูปแล้วเราก็เกิดความสุขบางทีเห็นรูปแล้วเราก็เกิดความทุกข์บางทีเห็นรูปแล้วเราก็เฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นอยู่กับว่ารูปนั้นมันให้ความรู้สึกอย่างไรกับเรา บางรูปบางอย่างก็ให้ความรู้สึกความสุขรูปบางอย่างก็ให้ความรู้สึกทุกข์รูปบางอย่างก็ให้ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นอยู่กับสัญญาความจำได้หมายรู้ว่ารูปที่เราได้เห็นนั้นมันดีหรือไม่ดีเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ พอเราเห็นรูปที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เราก็เกิดสุขเวทนาเช่นเห็นรูปธนบัตใบละพันอย่างนี้เห็นปับมันก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาเพราะสัญญาความจาได้หมายรู้มันจำได้ว่ า, ารูปแบบนี้สามารถที่จะเอาไปทำคุณทำประโยชน์ได้สามารถสร้างความสุขให้กับใจได้มันก็เลยเกิดสุขเวทนา ทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ได้เอาไปทำอะไรเพียงแต่ได้เห็นได้รับมาก็เกิดสุขเวทนาได้เห็นบินที่เขาส่งมาเก็บค่าน้ำค่าไฟเห็นจดหมายจากทางรัฐบาลสั่งมาเก็บภาษีพอเห็นรูปแบบนี้ก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเพราะต้องเสียประโยชน์เสียผลประโยชน์ เป็นโทษกับเราอันนี้หรือเห็นสิ่งที่มันจะมาทำอันตรายต่อร่างกายเช่นเห็นงนนูเห็นงูปั๊บก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเห็นขนมนมเนยเห็นกาแฟเห็นเครื่องดื่มต่างๆก็เกิดสุ ข, ขเวทนาขึ้นมาทันทีอันนี้เกิดจากสัญญาความจาได้ไหมายรู้ว่า รูปเหล่านี้เคยให้คุณให้โทษกับเรามาก่อนถ้าเราไม่มีสัญญาเราจำไม่ได้เราก็จะไม่รู้เห็นงูเราก็อาจจะเฉยเฉยเพราะเราไม่รู้ว่ามันมีคุณหรือมีโทษหรือเปล่ามันจะกัดเรือมันจะกินเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แล้วก็เราเ ย, ยังไม่รู้สึกมีทุกขเวทนาหรือมีสุ ข, ขเวทนาหรือเห็นธนบัตรของต่างประเทศเนี่ย เราก็ไม่รู้ว่าเอาไปใช้ได้หรือเปล่าเป็นธนบัตรกงเต็กหรือเปล่าที่เข า, เามาเผาตอนอตุตจีนกันก็ไม่รู้เหมือนกันก็เห็นแล้วก็จะอาจจะเฉยเฉยไม่รู้ว่าจะสุขดีหรือจะทุกข์ดีทั้งทั้งที่มันอาจจะเป็นเงินเป็นทองที่มีราคามากกว่าธนาบัตรใบละพันของเราเช่นได้ธนบัตรใบละพันเป็นดอลลาร์มาอย่างนี้ ถ้าเราไม่เคยเห็นมาก่อนเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นของจริงหรือเป็นของปลอมจนกว่าเราจะไปได้พิสูจน์ก่อนว่าอ๋อมันเป็นของจริงเอาไปแลกได้ธนบัตรใบละพันเหรียญ น, นี่ก็เอามาแลกเป็นสามหมื่นกว่าบาทได้ในครั้งต่อไปถ้าแม่เห็นธนบัตรใบละพันเหรียญทีนี้มันก็จะเกิดสุขเวทนาขึ้นมาทันที แล้วพอมันเกิดเวทนาแล้วมันก็ทำให้จิตต้องมีสั่งการไปที่ร่างกายตัวที่จะสั่งการก็คือสังขารความคิดปรุงแต่งสั่งให้ร่างกายทำอะไรกับได้กับธนบัตรใบนี้ดีถ้าใบได้มาบใบละพันนี้ควรจะไปทำอะไรเอาอยากจะได้อะไรเหลือก็เอาไปซื้อสิอยากจะกินกาแฟไปไ ป, ไปร้านสไตล์บัอกสั่งให้ร่างกายไป หรือสมัยนี้ไม่ต้องไปกดมือถือสั่งผ่านทางมือถือให้เขาส่งมาถึงบ้านก็ได้อยากจะกินพิซซ่งพิซซ่าขอให้รู้หมายเลขเท่านั้นเองแล้วก็ขอให้มีธนบัตรใบละพันนี้เดี๋ยวก็ได้กินนะอันนี้ก็คือสังขารความคิดปรุงแต่งสั่งให้ร่างกายทำหน้าที่ตอบสนองความต้องการของใจ แต่ถ้าเกิดสั่งแล้วไม่ได้เอร้านเขาปิดหรือว่าสไปมันช้าไปแล้วร้านเขาปิดไม่ได้กินทีนี้สุขเวทนาก็เลยกลายเป็นทุกขเวทนาขึ้นมาเพราะอยากแล้วไม่ได้กินตามใจอยากนี่ก็ต้องกดหาเบอร์อื่นนสิร้านนี้ไม่มีก็ต้องหาอีกร้านหนึ่งเดี๋ย ว, วาหาไม่ได้ก็ต้องออกไปเดินไปหาไปร้านเซเวนเอน ร้านมีขายของตลอดยี่บสี่ชั่วโมงออันนี้ก็เป็นเรื่องของสังขารสั่งการให้ร่างกายทําอะไรต่างๆถ้าได้ทําตามความอยากก็เกิดความสุขขึ้นมาทางใจอีกอันนึ่งอันนี้ไม่ใช่สุขเวทนาอันนี้เป็นความสุขทางใจใจที่ได้รับทําอะไรตามความอยากแล้วเกิดความสุขขึ้นมาแต่ถ้าอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็เกิดความทุกข์ทางใจขึ้นมา อันนี้ไม่ได้เป็นความทุกข์ทางร่างกายเหมือนกับรูปที่เราเห็นผ่านทางร่างกายนี่คือเรื่องของชีวิตของพวกเราที่มีขานห้านี้ทำหน้าที่ต่างๆทำให้เราสุขบ้างทำให้เราทุกข์บ้างทีนี้ส่วนใหญ่เราไม่รู้กันเรามักจะทำให้เราทุกข์มากกว่าทำให้เราสุขเพราะเรามักจะ ทำตามสิ่งที่เราอยากทำกันแต่สิ่งที่เราอยากทำนั้นบางทีมันไม่ตอบสนองความอยากของเราพอมันไม่ตอบสนองความอยากของเรามันก็เลยสร้างความทุกข์ใจให้กับเราเช่นเราอยากกินอะไรอย่างนี้เราก็ไปกินกันเพราะเราคิดว่ากินแล้วมีความสุขแต่วันดีคืนดีเกิดอยากกินแล้วไม่มีกินอย่างนี้ อาจจะไม่มีเงินไปซื้อของที่เราอยากจะกินตอนนั้นความสุขก็ไม่เกิดแล้วก็เกิดแต่ความทุกข์เพราะอยากทุกข์ด้วยความอยากนี่คือเรื่องของความทุกข์ที่พวกเราสร้างกันขึ้นมาทุกข์ด้วยความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายเราเห็นอะไรเราก็อยากได้เราก็พยายามไปหามาไปเอามา ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งถ้าหามาได้เราก็รู้สึกสบายใจสุขใจไปชั่วขณะหนึ่งแล้วเดี๋ยวเห็นอย่างอื่นอีกก็เห็นของใหม่อีกก็อยากได้อีกก็ไปหามาอีกถ้าตาบใดเรายังหาสิ่งที่เราอยากได้อยู่เราก็ยังมีความสุขอยู่แต่ถ้าถึงเวลาที่เราอยากแล้วเราไม่สามารถหาสิ่งที่เราอยากได้ ทีนี้มันก็จะทําให้เราทุกข์ใจกันขึ้นมาแล้วอันนี้เราไม่รู้กันเราไม่รู้ว่าความอยากนี้จะต้องพาให้เราต้องไปพบกับความทุกข์ใจต่อไปเพราะว่าของที่เราอยากได้บางทีมันก็ไม่มีมันหมดไปหรือเงินที่เราจะซื้อของมันหมดมันก็ซื้อไม่ได้หรือร่างกายมัน หมดสมัตภาพไม่สามารถทำตามที่เราสั่งให้มันไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามความอยากของเราได้เช่นเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเล้นํอามาเพิกเอามาพาดเนี่ยเราอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ไม่สามารถไปเอามาได้พอมีความอยากแล้วไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้ไม่ได้ทำตามที่เราอยากทำ ความทุกข์ใจก็จะเกิดขึ้นมาอันนี้เราไม่รู้กันเราคิดว่าการทําตามความอยากแล้วจะทําให้เราได้แต่ความสุขกันเราก็เลยพยายามทําตามความอยากกันมาอยู่เรื่อยๆจะมารู้ก็ไม่รู้จะทํายังไงก็ได้แต่ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจถ้าทนไม่ไหวก็ฆ่าตัวตายไป พอไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมอยู่ไปก็ไม่สามารถทำอะไรตามความอยากได้แต่ฆ่าตัวตายไปก็ไม่ได้ไปฆ่าตัวตัวความอยากที่มีอยู่ในใจพอความอยากพอร่างกายนี้ตายไปใจที่ยังมีความอยากอยู่ก็ไปหาร่างกายอันใหม่ก็คือไปเกิดใหม่อีกเพื่อที่จะได้มีร่างกายอันใหม่ ไปทําอะไรตามความอยากต่อไปอีกเราถึงกลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆเพราะเราชอบทําตามความอยากกันเราชอบรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆเราก็อยากจะไปเสพไปสัมผัสกับรูปเสียงกยลิ่นรสผดทพะเราก็ต้องมีร่างกายมีร่างกายแล้วบางทีก็ไม่พอต้องมีเงินด้วย เพราะของที่เราอยากจะเสพนั้นมันต้องไปซื้อมาก็ต้องไปทำงานหาเงินหาทองไปเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานไปทุกกับการทำงานเพื่อที่จะได้เอาเงินทองนี้มาซื้อความสุขทางตาหูจมูกเนื้นกายกันแต่ซื้อเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่พอมันก็อยากอยู่อย่างนั้นซื้อมาแล้วมันเดี๋ยวมันก็หมดดู ดื่มกาแฟหมดไปแล้วความสุขที่ได้จากการดื่มกาแฟมันก็หมดไปกับกาแฟแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากดื่มกาแฟใหม่ก็ต้องไปดื่มอีกไปซื้ออีกถ้าไม่มีเงินซื้อก็จะทุกข์หรือถ้าไม่มีร่างกายร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยดื่มกาแฟไม่ได้หรือหมอห้ามดื่มเพราะมันมีธาตุมีสารสะสมมากเกินไป หมอห้ามไม่ให้ดื่มถ้ายังจะดื่มก็จะทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดื่มไม่ได้อันนี้เป็นการหาความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเป็นการหาความสุขของสัตว์โลกทั้งหลายอย่างพวกเราที่เรียกว่าปุตุชนปุตุชนนี้จะไม่รู้จักวิธีหาความสุขแบบพระอริยเจ้าหากัน พระอริเจ้าคือพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์นี้ท่านมีปัญญาท่านมีความรู้ความฉลาดที่รู้ว่ามีวิธีหาความสุขให้กับใจอีกรูปแบบหนึ่งเป็นการหาความสุขที่แบบไม่มีความทุกข์ตามมาเพราะสิ่งที่หานั้นเป็นสิ่งที่เมื่อหามาได้แล้วจะอยู่กับใจไปตลอดจะไม่หมดไปเหมือนกับ รูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะต่างๆที่ใจไปหาผ่านทางร่างกายสิ่งที่จะให้ความสุขกับใจอีกรูปแบบหนึ่งก็คือความสงบของใจนี้เองความระ ง, งับความอยากต่างๆถ้าใจระ ง, งับความอยากได้เวลาเกิดความอยากแล้วไม่ทําตามความอยากหยุดความอยากได้พอใจสงบแล้วใจจะพบกับความสุขอีกรูปแบบหนึ่ง คือความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการไปเสบรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะอันนี้จะเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสั้ความจริงอันนี้ปุตุชนอย่างพวกเราก็จะไม่รู้กันแล้วก็จะ วนเวียนอยู่กับการหาความสุขทางร่างกายกันพอร่างกายนี้ตายไปก็ไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่แล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายกับร่างกายอันใหม่ทุกครั้งที่แก่ที่เจ็บที่ตายก็ทุกข์กันเพราะไม่มีใครอยากแก่อยากเจ็บอยากตายแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย จนกว่าเราจะได้พบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระอริยสงฆ์สาวกที่ท่านสอนให้เราหาความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขที่ใช้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าส่งค้นพบคือศีลสมาธิปัญญาถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราจะสามารถกําจัด ความอยากต่างๆได้หยุดความอยากต่างๆได้เวลาที่เราหยุดความอยากได้แต่ละครั้งเราจะเกิดความสุขขึ้นมาอีกแบบหนึง่งความสุขที่เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเพราะเป็นความสุขที่จะอยู่กับเราไปได้เรื่อยเพราะถ้าเรารู้จักวิธีสร้างความสุขแบบนี้แล้วเราก็จะสามารถสร้างมันไปได้เรื่อยๆ ทุกครั้งที่เกิดความอยากแทนที่เราจะไปทำตามความอยากแทนที่จะสัง่งให้สังขารสั่งให้ร่างกายไปทำตามความอยากก็ให้สังขารหยุดสั่งร่างกายให้ร่างกายอยู่เฉยๆอย่างที่ให้เรานั่งเฉยๆสักหกชั่วโมงดูอันนี้ก็เพื่อการเพื่อให้หยุดความอยากต่างๆถ้าหยุดได้แล้วใจจะสงบแล้วจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องทำอะไรถ้าทาตามความอยาก ทำเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่สุขสุขเดี๋ยวเดียวสุขแล้วเดี๋ยวก็อยากอยากแล้วก็ทุกพอไม่ได้ทําตามความอยากก็ทุกอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องมาแก้ไขกันพวกเราเป็นผูุ้กขชนเราต้องแก้ไขด้วยอาศัยคําสอนของพระอริยเจ้าของผู้ที่รู้วิธีหาความสุขที่ แท้จริงความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาความสุขที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดตามมาก็คือการหาความสุขด้วยการระ ง, งับความอยากต่างๆวิธีที่เราจะระ ง, งับความอยากพระพุทธเจ้าก็ให้มอบไว้สามวิธีสามเครื่องมือด้วยกันคือศีลสมาธิและปัญญาศีลก็จะระ ง, งับความอยากได้ในระดับหนึ่ง สมาธิก็จะระงับความอยากได้อีกระดับหนึ่งแล้วปัญญาก็จะระงับความอยากได้อย่างถาวรได้อย่างได้อย่างหมดสิ้นอย่างไม่มีได้อย่างราบคาบความศีลยังไม่สามารถทำลายความอยากได้อย่างถาวรสมาธิก็ยังไม่สามารถทำลายความอยากได้ถาวร มีปัญญาแต่ก่อนจะไปถึงขั้นปัญญาได้ก็ต้องไต่เต้าจากขั้นแรกไปก่อนก็คือขั้นศีลขั้นศีลเราก็มาหยุดความอยากทําอะไรตามความอยากกันเช่นอยากจะนอนกับแฟนก็ไม่ให้นอนให้ถือว่าไม่มีแฟนก็ไม่ตายอย่างนั้นถ้าทําอะไรถ้าไม่ต้องทำทำสิ่งที่เราอยากทําแล้วไม่ตายก็อย่าไปทําดีกว่า ทำแล้วจะทุกข์เพราะว่าจะต้องมีสักวันหนึ่งที่จะทําไม่ได้เวลาทําไม่ได้แล้วจะทุกข์เนี่ยงั้นสู้หยุดมันดีกว่าเลิกมันดีกว่าถ้าเลิกแล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องทําถ้าเรายังต้องนอนกับแฟนอยู่เราก็ต้องนอนกับแฟนไปเรื่อยๆพราอวันไหนไม่ได้นอนกับแฟนเราก็จะทุกข์ขึ้นมาวันไหนที่แฟนจากเราไปเราก็จะทุกข์ขึ้นมางั้นเรามาเบรก ความอยากนี้ก่อนด้วยการรักษาสิ้นแปดรักษาสี้นแปดก็เพื่อให้เราหยุดกิจกรรมที่ไม่จําเป็นที่เราไม่ต้องทำไม่ทำไม่ตายไม่ได้นอนกับแฟนนี่ไม่ตายนอนคนเดียวไม่ตายถ้านอนคนเดียวเป็นนี่สุขกว่านอนกับแฟนีิเพราะเดี๋ยวเวลาที่ไม่มีแฟนก็จะนอนไม่ได้จะทุกข์ นี่คือการรักษาศีลแปยในข้อที่สามท่านก็ให้เรามาหยุดทําความอยากที่จะนอนกับแฟนกันแล้วก็หยุดความอยากที่จะกินอาหารเพื่อให้เกิดความสุขกินอาหารได้แต่ไม่ได้กินให้เกิดความสุขกินเพื่อให้ร่างกายไม่ตายซึ่งกินมือ้อสองมื้อก็พอกินแค่เที่ยงวันก็พอไม่ต้องกินหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว พนี้ก็หยุดความอยากที่จะอาศัยอาหารเป็นเครื่องมือในการให้ความสุขแล้วก็หยุดการไปหาความสุขทางตาทางหูเช่นดูภาพยนตร์ดูละครร้ อ, องนำทำเพลงร้องฟังเพลงไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไปเที่ยวตามสถานท่องเที่ยวต่างๆ อ, อันนี้เราต้องหยุดกิจกรรมเหล่านี้เพราะว่า มันเป็นกิจกรรมที่จะมีโทษตามมามีทุกข์ตามมาเวลาที่เราไม่สามารถไปเที่ยวได้วันไหนที่เราอยากไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปเที่ยวต้องอยู่บ้านนี้เรารจะรู้สึกเศร้าซ้อยงอยเหงาว้าวเวยหงุดหงิดลำคาญใจพอได้ไปเที่ยวก็หายไปหมดดีอกดีใจแต่พอกลับมาก็เหมือนเดิม กลมาเดียวพออยู่คนเดียวก็เหงาอีกว้าเวอยากจะออกไปอีกถ้าไม่ได้ออกไปก็จะทรมานถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยแบบรักษาไม่หายก็ตายดีกว่าไม่รู้จะอยู่ต่อไปทำไมอยู่ไปก็มีแต่ความทุกข์ทรมานใจไม่สามารถหาความสุขได้คนที่ฆ่าตัวตายก็เพราะไม่สามารถหาความสุขที่กหาได้ผ่านทางร่างกาย อยู่ไปก็มีแต่ความทุกข์ทรมานใจไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมก็ฆ่าตัวตายดีกว่าแต่ฆ่าตัวตายมันก็ไม่หายความทุกข์ทรมานใจเพราะตัวที่ทำให้ทุกข์ทรมานใจไม่ใช่ร่างกายตัวที่ทำให้ทุกข์ทรมานใจก็คือความอยาก้าความสุขผ่านทางร่างกายตัวนี้มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันอยู่กับใจ มันก็เลยดึนใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่ก็เลยต้องไปเกิดใหม่ไปเกิดแล้วก็ใช้ร่างกายอันใหม่หาความสุขจนถึงจุดที่ไม่สามารถหา่างหาความสุขได้ก็ฆ่าร่างกายนี้ดังนั้นก็จะเกิดมาแล้วก็จะมาหาความสุขแป๊บหนึ่งแล้วก็มาเจอความทุกข์แล้วก็ต้องมาฆ่าตัวตายอันนี้จะเป็นวงจรอุบาทที่จะติดอย่างนี้ไปเรื่อย มีคำสอนที่ท่านพูดว่าฆ่าตัวตายครั้งหนึ่งแล้วต้องไปฆ่าตัวตายห้าร้อยครั้งเนี่ยเพราะมันจะเป็นมันจะติดเป็นนิสัยไปมันจะแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ทุกครั้งที่ไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้มันก็จะคิดฆ่าตัวตายกันสมัยนี้คนเริ่มคิดหากฎออกกฎหมายเพื่อให้ฆ่าตัวตายได้โดยไม่ผิดกฎหมายเพราะ คนเดียวนี้มีความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายกันทั้งนั้นแล้วพอไปเจอสภาพของร่างกายที่ไม่สามารถหาความสุขได้ตอนนั้นก็อยากจะฆ่าร่างกายกันถ้าฆ่าถ้าฆ่าเองก็กลัวฆ่าไม่ก็ต้องไปจ้างคนอื่นให้เขาฆ่าไปจ้างหมอให้ฉีดยาพิษให้แต่หมอตอนนี้ก็ทำไม่ได้เพราะผิดกฎหมาย ก็เลยจะไปให้ออกกฎหมายให้หมอทําได้ให้หมอค่าให้ค่าคนที่อยากจะฆ่าตัวตายได้เดี๋ยวนี้ก็มีคําพูดเท่ซะด้วยว่าตายอย่างมีศักดิ์ศรีอยู่แบบไม่มีศักดิ์ศรีอยู่แบบคนพินพการอยู่แบบคนเก็บไข้ได้ป่วยต้องเป็นภาระของคนอื่นเขาเรียกว่าอยู่แบบไม่มีศักดิ์ศรี ชู้ตายอย่างมีศักดิ์ศรีดีกว่าคือฆ่าตัวตายอันนี้ก็เป็นเพราะว่าความอยากนีที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันแต่ถ้าเรามาหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเวลาร่างกายเป็นอะไรไปเราจะไม่คิดฆ่าตัวตายเราจะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีเราจะอยู่อย่างมีความสุข เพราะเราไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายใครจะมาเลี้ยงดูเราหรือไม่เลี้ยงดูเราใครจะมาช่วยเราหรือไม่ช่วยเราไม่เป็นปัญหาจะไม่ปริปากออกขอขอร้องจากใครทั้งสิน้นอยู่ได้โดยที่มีร่างกายหรือไม่มีร่างกายอยู่ยังมีความสุขได้อันนี้แหละคืออยู่แบบมีศักดิ์ศรีตายแบบมีศักดิ์ศรีคือมีความสุข ที่ใจไม่ต้องอาศัยร่างกายความจริงอันนี้ถ้าเราไม่พบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือคำสอนของพระอริยสงสาวกเราจะไม่รู้กันเราก็จะติดกับวงจรอุบาทอันนี้คือใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันแล้วพอร่างกายไม่สามารถตอบสนองได้ก็ฆ่ามัน แล้วก็ไปหาร่างกายอันใหม่แล้วก็มาหาใช้ร่างกายอันใหม่ไปถึงจุดที่มันไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ก็ฆ่ามันอีกก่อ ม, มาก็จะต้องมาเจอแต่ความแก่ความเจ็บความตายต้องมาฆ่าตัวตายการกระทำเหล่านี้มันไม่เป็นสุขนะบอกให้รู้กันคนที่จะคิดตัวตายนี้แสดงว่ามันทรมานมากอยู่ก็ทรมานฆ่าตัวตายก็ยิ่งทรมานใหญ่ มีใครอยากจะฆ่าตัวตายบ้างตอนนี้ใม้มีใครอยากถ้ามีความสุขก็อยากจะอยู่กันทั้งนั้นอยงนั้นถ้าถึงจุดที่อยากจะฆ่าตัวตายนี้แสดงว่ามันทุกข์มากแต่เราไม่ต้องเข้ามาสู่วงจารอบาอุบาทนี้ได้ถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเรามาถือศีลแปดกันเรามายุติการหาความสุขผ่านทางร่างกายกัน เราอย่าไปนอนกับแฟนอย่าไปมีแฟน เ, ออเราอย่าไปกินข้าวเย็นกันเื้อกินข้าวกี่มื้อก็แล้วแต่กินแค่มื้อเดียวก็พอกินเพื่ออยู่กินเพื่อเลี้ยงร่างกายอยากินเพื่อสร้างความสุขให้กับใจเพราะมันจะต้องถึงจุดที่จะเป็นปัญหาถ้ากินมากๆเดี๋ยวโรคภัยต่างๆก็จะเข้ามาเหยียบย่มร่างกาย ก็ต้องอดอาหารอยู่ดีต้องลดต้องผ่อนอยู่ดีไปหาหมอหมอก็บอกว่าต้องลดน้ำตาลแล้วนะต้องลดแป้งไขมันแล้วนะเพราะว่าถ้าไม่ลดตายนะมันก็ถึงจุดหนึ่งมันก็กินไม่ได้อยู่ดีอย่านั้นอย่าไปให้หมอบังคับเราเลยเรามาบังคับตัวเราเองดีกว่าแล้วเราจะได้ดูแลร่างกายของเราให้อยู่ไปยาวนาน และไม่มีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนถ้าเรารู้จักรับประทานอาหารพอประมาณไม่ได้รับประทานเพื่อให้เกิดความสุขสนานเฮฮาล่าเริงแต่รับประทานเพื่อให้น่างกายอยู่ได้ก็พอแล้วเราอย่ามาหาความสุขจากมหอสุขบันเทิงต่างๆอย่ามาหาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัว แต่งหน้าทาปากทำเเผ า, าทำผมใส่เสื้อผ้าวิจิตพิสดารมันเป็นความสุขเดียวเดียวกค้าสุขที่ไม่อิ่มไม่พอแล้วสักวันหนึ่งก็แต่งไม่ได้เมื่อนัางกายมันแก่ลงไปผมเเาหงอกหนังเหี่ยวย่นแต่งยังไงมันก็ไม่สวยไม่งามตอนนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ใจเังนั้นเราอย่าไปหาความสุขแบบนี้กัน แล้วก็อย่าหาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไปให้พักผ่อนหลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายอย่าพักผ่อนมากจนเกินไปเอาเวลาที่นอนหลับนี้มาสร้างความสุขทางใจกันดีกว่ามาทำใจให้สงบกันพอเรารักษาศีลแปดได้เราก็จะมีเวลาเยอะแยะเลยตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึงเวลานอนประมาณสี่ทุ่มนี้ เราสามารถเอาเวลานี้มาฝึกสติมานั่งสมาธิทำใจให้สงบมาฝืนความอยากต่างๆหยุดความอยากต่างๆถ้าเรามีสติเราจะสามารถหยุดความคิดต่างๆได้ถ้าเราหยุดความคิดต่างๆได้เราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้ความอยากนี้มันเกิดจากความคิด ถ้าเราคิดถึงกาแฟามันก็อยากจะดื่มกาแฟาขึ้นมาคิดถึงขนมนมเนยก็อยากจะรับประทานขึ้นมาถ้าเราไม่ได้คิดถึงมันเราก็จะไม่มีความอยากดื่มอยากรับประทานอะไรดังนั้นเราต้องมาฝึกหยุดความคิดกันด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปอันนี้เป็นวิธีหนึ่งวิธีอีกวิธีหนึ่งถ้าเราไม่บริกรรมเราก็มาเฝ้าดูร่างกาย ใจเราผูกติดอยู่กับร่างกายตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายกำลังทำอะไรก็ให้รู้ว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่กำลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินให้รู้อยู่กับการเดินกำลังรับประทานอาหารก็ให้รู้อยู่กับการรับประทานอาหารกำลังดักน้ำกำลังอาบน้ำกำลังหวีผ้าหวีผมไม่ว่าทำอะไรให้อยู่กับกิ จ, ก, จกรรมของร่างกาย มันก็จะไปคิดถึงเรื่องต่างๆไม่ได้มันก็จะไม่เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาแล้วถ้านั่งเฉยๆก็ดูการเข้าออกของลมหายใจเมื่อน่่งกายมันนั่งเฉยๆมันก็ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวนอกจากลมหายใจแล้วก็นั่งดูลมหายใจไปหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกเพื่อไม่ให้ไปคิดอะไร ถ้าเรานั่งนิ่งเฉยๆแล้วไม่คิดอะไรจิตมันจะตกหลุมพวางตบมันจะตกเข้าสู่ความสงบแล้วมันก็จะนิ่งจะสุขจะสบายเอจะเป็นอุเบกขาอไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นเอไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเป็นสภาพของจิตที่มีความสุขมากเพียงแต่ว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเอ นี่คือผลที่เราได้จากการทําสมาธิหยุดความอยากหยุดความอยากจากการใช้ศีลมันก็ทําให้เรามีเวลามาทํำใจให้สงบถ้าเราไม่มีศีลเราก็จะไม่สามารถหยุดกิจกรรมต่างๆเราก็จะไม่มีเวลามาทําใจให้สงบได้ดังั้นเราต้องมีศีลแปดก่อนเพื่อเราจะได้มีเวลาตั้งแต่เที่ยงวันไป จนถึงสี่ทุ่มเวลานอนเราก็อยู่คนเดียวไปหาที่สงบไปหาที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรถต่างๆมาคอยยั่วยวนกวนใจอย่าไปอยู่ใกล้รูปเสียงกลิ่นรถเช่นอยู่ที่บ้านเดี๋ยวคนที่ก็ไม่ถือศีลแปดเขาก็กินข้าวเย็นกันแล้วเดี๋ยวเขาก็เปิดทีวีดูกันเปิดเพลงฟังกัน เดี๋ยวก็ร้องนำทำเพลงกันเนื้อแต่งเนื้อแต่งตัวเพื่อที่จะออกไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆเขาก็จะชวนเราไปไหมกินไหมไอเรานี่พยายามที่จะฝืนพอมีคนมาชวนมันก็เลยตะบะแตกอะไปก็ไปกินก็กินมันก็เลยไม่มีเวลาที่จะนั่งสมาธิได้ ต้องไปอยู่ที่ไม่มีคนเข้ามารบกวนใจเราไปอยู่ตามวัดที่เขามีทำกิจกรรมเหมือนกันทุกคนนั่งสมาธิเดินจงกรมเหมือนกันก็เลยไม่ต้องไปมีใครมาชวนให้ไปเที่ยวไปทำอะไรก็มีแต่ชวนไปเดินจงกรมชวนไปนั่งสมาธิ ไปอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านจะชวนด้วยเฮ้ไปเดินจงกรมไปไปนั่งสมาธิไปมาทําอะไรเกะ ก, กะแถวนี้ทําไมเพอท่านเห็นว่าเราออกมาเกะ ก, กะนี่แสดงว่าไม่เดินจงกรมไม่นั่งสมาธิแล้วมาหากระพงกาแฟกินมาหาอะไรกินนี่ท่านก็จะไล่ไปละหมดเวลาแล้ววันหนึ่งให้กินหนนเดียวก็พอน้ําปานะให้กินตอนบ่ายก็พอแล้ว พอหลังจากนั้นก็ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิกันถ้าข้ามๆมาเดินเห็นมาแอบกินเดี๋ยวก็โดนไล่ออกจากวัดไปนี่คือวิสีหาความสุขแบบไหนต้องมีมาตรการต้องมีความเข้มข้นต้องมีความแน่วแ น, วแน่มั่นคงถึงจะทำได้ถ้าใจไม่หนักแน่นนี้เดี๋ยวโดนกิเลสฉุดลากไปตั้งใจจะนั่งสมาธิเดี๋ยวไม่รู้คิดอะไรปับ๊บเผลอไปซะแล้ว ไปเปิดดูโทรศัพท์มือถือว่าใครส่งข่าวมาหรื อ, อยังมีอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นห่วงไป็น ย, ยขึ้นมาทันทีต้องมีมาตรการกำจัดถ้าจะไปหาความสงบนี้ปิดเครื่องหรื อ, อยาว เ, เครื่องไปเลยอย่าอยู่ใกล้มันอย่าให้มีอะไรที่จะฉุดเราให้ออกไปจากการปฏิบัติคือการเดินจงกรมการนั่งสมาธิกา ร, จการจเจริญสติการทาใจให้สงบ อันนี้เป็นภารกิจที่ต้องทําอย่างต่อเนื่องและทําอย่างเข้มข้นมันถึงจะได้ผลถ้าทําแบบไม่ต่อเนื่องทําแบบไม่เข้มข้นทําแบบเลาะเลาะแหล ะ, ละทําปั๊บสิบนาทีพอละอย่างนี้ก็อย่าไปทํานะทําก็ไม่ได้ผลแล้วก็จะไปโทษว่าทำแล้วไม่มีผลที่มันไม่มีผลเพราะว่าเหตุมันไม่มันไม่มีเหตุมันมีนิดเดียวผลมันก็เลยยังไม่เกิดน ถ้าอยากจะให้มีผลเหตุมันต้องมีเต็มร้อยมันถึงจะเกิดผลขึ้นมาเอตที่เต็มร้อยก็คือต้องควบคุมใจควบคุมความคิดตลอดเวลาไม่ให้ใจวับไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าเผลอคิดปับ๊บเดี๋ยวมันก็เกิดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสแล้วแทนที่มันจะนั่งสมาธิมันก็ไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสฟกันมันก็ไม่ได้ผล แต่ถ้าสามารถควบคุมความคิดได้ไม่ให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสใจมันก็จะว่างจะเย็นจะสบายแล้วเวลานั่งมันก็จะสงบจะนิ่งจะเป็นอุเบกขาจะมีความสุขถ้ามันได้สมาธิครั้งแรกแล้วมันจะติดใจต่อไปนี้มันจะทําอย่างไม่ต้องบังคับมันเกิดความยินดีที่จะทําทแล้วเห็นแล้วว่าผลที่ได้จากการทําสมาธินี้มันมีความสุขอย่างไร ดีกว่าความสุขทั้งปวงอย่างไรมันก็จะเลิกหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้มันก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการหาความสุขทางทางจิตใจไปเรื่อยๆแล้วพอรัพอได้ความสงบทางจิตใจด้วยกำลังของสติแล้วขั้นต่อไปก็ใช้ปัญญารักษาความสงบนี้ไม่ให้หายไปด้วยการคอยทำลายข้าศึกศัตรูของความสงบ สิ่งที่จะมาทําลายความสงบก็คือความอยากต่างๆนี้เองความเผลอไปคิดถึงสิ่งต่างๆแล้วเกิดความอยากขึ้นมาเราเกิดความอยากขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญาที่พระเจ้าทรงค้นพบว่าการทําตามความอยากนี้เป็นการทําลายความสงบเป็นการสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆและสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้แก่จิตใจเพราะสิ่งต่างๆที่ได้มา นั้นจะต้องมีวานพัดพลาคจากกันสิ่งต่างๆนี้เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เขาให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาบางเวลาแทนที่จะให้ความสุขกับเราก็กลับให้ความทุกข์กับเราเช่นแฟนเราแทนที่จะรักเราเขาแอบไปมีแฟนใหม่เขาเคยให้ความสุขกับเราก็กลายเป็นให้ความทุกข์กับเราแล้วเราก็ไปสั่งไปห้ามเขาไม่ได้ นี่คือสิ่งที่เราต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปพึ่งอะไรเพราะพึ่งไม่ได้อย่าไปพึ่งสิ่งต่างๆให้กับให้ความสุขกับเราเพราะเขาไม่แน่นอนเขาเปลี่ยนได้เขาหมดได้ให้คิดอย่างนี้จะได้หยุดความอยากที่จะไปพึ่งสิ่งต่างๆหยุดความอยากที่จะไปพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์หยุดพึ่งลาบยศสรเสริญหยุดพึ่งร่างกายแล้วมาพึ่งปัญญาดีกว่า พึ่งสติดีกว่าพึ่งศีลดีกว่าพึ่งสามตัวนี้เราจะปลอดภัยจะมีความสุขไปตลอดไม่มีวันเสื่อมคลายไม่มีวันหมดเนี่ยพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้พบกับปรมังสุขขังนิบานังปรมังสุขขังบร ม, มสุขของพระนิพพานก็เกิดจากการมีศีลสมาธิปัญญาที่กาจัดลก การจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจจนหมดสิ้นไปกาจัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสดการจัดความอยากมีรูปเสียงกลิ่นนสไปไม่มีวันสิ้นสุดเอความอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเอความอยากอันนี้มันจะเป็นตัวที่จะทําให้เกิดความทุกข์ความทรมานใจอพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่าน รู้และพอทุกครั้งที่เกิดความอยากเหล่านี้ท่านก็หยุดมันเวลาร่างกายแก่มันอยากจะไม่แก่ก็หยุดมันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะไม่เจ็บก็หยุดมันเวลาตายมันอยากจะไม่ตายก็หยุดมันปล่อยมันตายปล่อยมันเจ็บปล่อยมันแก่แล้วจะไม่ทุกข์จะสุขตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะเป็นอยู่ในสภาพใดจะแก่ก็ไม่ทุกข์จะเจ็บก็ไม่ทุกข์จะตายก็ไม่ทุกข์ เพราะใจไม่ได้เป็นร่างกายอยู่แล้วใจไปทุกข์กับร่างกายทาไมร่างกายเองมันยังไม่ทุกข์เลยกับตัวมันเองร่างกายแก่มันไม่ทุกข์ร่างกายเจ็บมันไม่ทุกข์ร่างกายตายมันไม่ทุกข์เพราะมันไม่มีตัวรู้มันไม่รู้ว่ามันแก่มันเจ็บมันตายมันเป็นดินน้ำลมไฟมันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรตัวที่รู้นี่ไปหลงรักมันแลวไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นเอง ยังทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเราเลยต้องเอาปัญญาของพระพุทธเจ้ามาใช้ดับความทุกข์กันมาหยุดความอยากกันด้วยการมองว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถที่จะให้มันให้ความสุขกับเราได้ตลอดมันจะต้องมีวันใดวันหนึ่งที่จะต้องให้ความทุกข์กับเรา ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเราก็จะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราไปยุ่งกับมันเราไปอาศัยมันไปพึ่งมันมาให้ความสุขกับเรานั่นเองนี่คือเรื่องของธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้เราจะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เราจะไม่รู้เรื่องโลกธาตุไม่รู้จักเรื่องโลกทิพเราจะไม่รู้จักเรื่องดินน้ํานมไฟ เราจะไม่รู้จักเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราจะไม่รู้จักเรื่องของตัณหาความอยากทั้งสามที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ทรมานใจคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเราจะไม่รู้จักเครื่องมือที่เราจะมากำจัดความโลภความอยากทั้งสามนี้คือศีลสมาธิปัญญาตอนนี้พวกเราโชคดีมีวาสนามีโชคลาภอันยิ่งใหญ่ ได้รับความรู้อันตรเสรดนี้จากพระพุทธศาสนาให้เรามาสร้างศีลสมาธิสร้างปัญญากันเพื่อมาทำลายกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหากันถ้าศีลสมาธิปัญญามีกำลังมากกว่ากามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหามันก็จะทำลายกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาให้หมดไปพอหมดไปใจก็กลายเป็นนิพพานขึ้นมา สะอาดบริสุทธิ์ใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี่เรียกว่านิพานนิพานแล้วก็มีเป็นใจที่มีบรมลังสุขมีสุขอย่างเดียวไม่มีความทุกข์เหมือนกับที่เรามีกันตอนนี้เรามีสุขแล้วก็มีทุกข์ตามามาเสมอแต่สุขของพระนิพานนี้ไม่มีความทุกข์ตามมามีแต่ความสุขตามมาไปตลอดอนันตการเรียกว่าบรลลังกสุขนิพพานังปรมังสุ ข, ขงัง อันนี้จะเป็นผลที่พวกเราจะได้รับกันถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไปปฏิบัติกันไปเจริญสีนเจริญสมาธิเจริญปัญญากันแล้วรับรองได้ว่าเราจะได้ความสุขปรากฏขึ้นมาตามลำดับตามกำลังของศีนสมาธิปัญญาของเรา ถ้ามีศีลมากสมาธิมากปัญญามาก ค, ความสุขก็จะมีเพิ่มขึ้นมามากๆถ้ามีเต็มร้อยความสุขก็จะมีขึ้นมาเต็มร้อยอยู่ที่เหตุคือศีลสมาธิปัญญาไม่ได้อยู่ที่ใครไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่พระธรรมอยู่ไม่ได้อยู่ที่พระอริยสงฆ์สาวกอยู่ที่ตัวเราที่จะต้องสร้างศีลสมาธิปัญญานี้ขึ้นมาพระพุพะทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเพียงผู้บอกให้เราสร้างเท่านั้นเอง แต่ท่านสร้างให้เราไม่ได้เราต้องเป็นผู้สร้างศีลสมาธิปัญญานี้ขึ้นมาเองแล้วทุกคนสามารถสร้างได้ถ้ามีความศรัทธามีความเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าทุกคนสามารถปฏิบัติได้พระพุทธเจ้าสอนให้กับคนที่ปฏิบัติได้คนที่ปฏิบัติไม่ได้ท่านไม่สอนใครที่ปฏิบัติไม่ได้ก็พวกเดราจฉานทั้งหลายนี้เขาปฏิบัติไม่ได้ พระพุทธเจ้าก็เลยไม่ไปสอนเขาแต่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราสอนพวกเทวดาเพราะพวกมนุษย์และเทวดานี้สามารถปฏิบัติได้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้สามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้ดังนั้นอย่าประมาทตัวเราเองอย่าลดคุณค่าของตัวเราเองไบคิดว่าโอ้เราไม่มีปัญญาที่จะปฏิบัติไปถึงพระนิพพานได้หรอก ถ้าคิดอย่างนี้เราก็ปิดประตูเราแล้ ว, ลวปิดทางเดินของเราแล้วอันนี้เป็นเป็นกลอุบายของกิเลส ท, ที่มันจะมาหลอกให้เราคิดอย่างนี้เพราะกิเลสไม่อยากให้เราไปนิพพานเพราะการไปนิพพานนี้ต้องฆ่ากิเลสนั่นเองมันจิงร้างสร้างเกาะคุ้มกันตัวมันเองโดยให้เราคิดกันว่าพวกเรานี้ไม่มีบุญไม่มีวาสนาที่จะไปถึงพระ น, นิพพานได้หรอก ถ้าคิดอย่างนี้มันก็ไม่ปฏิบัติมันก็จะไม่ไปแต่ถ้าเราคิดแบบพระพุทธเจ้าว่าทุกคนปฏิบัติได้ช้าหรือเร็วเท่านั้นเป็นบัวสี่เหล่าถ้ายังมีศรัทธาความเชื่อที่จะปฏิบัติตามมันต้องได้ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ไม่พรุ่งนี้ก็เดือนหน้าไม่เดือนหน้าก็ปีหน้าถ้าตราบใดมีการปฏิบัติแล้วรับลองได้ว่าจะต้องได้อย่างแน่นอน ดังนั้นขอให้พวกเรามีความมั่นใจในคําสอนของพระพุทธเจ้ามีความมั่นใจในการปฏิบัติของพวกเราว่าจะนําผลที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับกันถ้าเราปฏิบัติศีลสมาธิได้อย่างเต็มร้อยก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไหวเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาใครมีคำถามทางด้านปฏิบัติอยากจะทราบก็ถามได้ในตอนนี้เพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะขอยุดติการถามตอบดังนั้นถ้าใครอยากจะถามปัญหายกมือขึ้นจะส่งไม i l ไปให้ถ้ายังไม่มีก็จะให้ทางบ้านพิธีกรนำเอาคำถามทางบ้านที่ฝากมาให้ถามไปก่อน คำถามจากทางบ้านจากคุณยิ่งพัน์เมื่อวันที่ยี่สิบเก้ามกราคมหได้อ่านคำสอนพระอาจารย์ที่ยกตัวอย่างเรื่องสามีดื่มสุราว่าให้วางเฉยหรือเปลี่ยนความอยากเป็นอยากให้ดื่มไปรู้แล้วรู้รอด แต่ในความเป็นจริงคือเมื่อสามีดื่มสุราแล้วเอาเงินของครอบครัวไปใช้จ่ายจนหมด <Okay. S 1> บางทีก็ไปกู้หนี้ยืมศีนบางทีก็ไปมีเรื่องก่อคดีติดคุกบางทีก็มาด่าพอทำร้ายตบตีภรรยาหรือลูกด้านภรรยาใจหนึ่งก็อยากเลิกกับสามีเพราะทุกทรมานทั้งกายและใจแต่ใจหนึ่งก็ยังรักสามีและห่วงลูกจะขาดพ่อหน้ำซ้ําถ้าอยาก กันแล้วก็ไม่รู้จะหาเงินเลี้ยงลูกคนเดียวไหวหรือไม่จำต้องทนอยู่ต่อไปตัวอย่างนี้มักเป็นตัวอย่างสำหรับปัญหาอื่นๆด้วยเช่นกันควรทำอย่างไรดีคะก็ทำใจไงถ้าต้องอยู่ก็อยู่ไปถ้าเปลี่ยนเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาก็มีเท่านั้น คำถามจากคุณพุทธรักษาฟังธรรมท่านมาครบหนึ่งปีพอดีพร้อมกับปฏิบัติบูบชาตอนนี้เลิกกาแฟได้หลังจากที่ดื่มมาสิกว่าปีสีนอุโบสถเมื่อมีเวลาว่างจากกิจทางโลกนั่งสมาธิและเดินจงกรมที่บ้านสม่ำเสมอขณะปฏิบัติสงบบ้างไม่สงบบ้างเวลาสงบก็ชั่วขณะดเดียวแบบนี้จะเจริญปัญญาได้เลยไหมคะ ได้แต่มันจะไม่ค่อยมีมีผลเท่าไหร่เพราะว่าจะไม่มีกำลังสู้กับความอยากตัณหากิเลสได้จเจริญได้แต่มักจะแพ้มันทุกทีเพราะว่าความสงบยังมีกำลังไม่มากพอแต่จ ะ, จะเจริญก็ได้เมื่อจำเป็นจะต้องใช้ปัญญาก็ใช้ไปถ้าใช้แล้วดับความทุกข์ได้ก็ดีถ้าดับไม่ได้ก็ต้องพยายามมาฝึกสติให้มากขึ้นทำสมาธิให้มากขึ้น วเดดี๋ยต่อไปก็จะับความทุกได้คำถามจากคุณฤดีทานทันสารหนูนั่งสมาธิจิตฟุ้งซ่านตลอดหนูจะทำอย่างไรและดูจิตต้องดูอย่างไรคะ อ, อ่ต้องมีสติก่อนเพื่อหยุดความคิดต่างๆให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆตั้งแต่ตื่นขึ้นมาทำอะไรก็พุทโธไปนอกจากถ้าต้องใช้ความคิดก็หยุดพุทโธ ถ้าไม่ต้องใช้ความคิดกับพุโทโธไปแล้วใจจะไม่ฟุง้งเวลานั่งสมาธิใจจะสงบได้และดูจิตต้องดูอย่างไรคะก็ดูมันฟุ้งแล้วไม่ฟุง้งมันสงบหรือไม่สงบมันมีพุโทโธแล้วไม่มีพุโทโธถ้าไม่มีพุโทโธก็ให้มันบริกรรมพุโทโธขึ้นมาตอนต้นนี้ให้ดูว่ามีพุโทโธหรือไม่มีพุโทโธในจิตนะคาถามจากคุณสกลอารมณ์กับความคิดเหมือนหรือแตกต่างกันครับ จิต ท, ที่รับรู้ความคิดคืออารมณ์ใช่ไหมครับอารมณ์ก็เป็นสิ่งที่เกิดตามความคิดเนี่ยพอคิดอะไรแล้วก็เกิดอารมณ์ดีอารมณ์เสียตามมาคิดดีก็อารมณ์ดีคิดไม่ดีก็อารมณ์เสียถ้าคิดปล่อยวางเป็นก็จะอารมณ์ดีใครด่าก็สาธุนี่อารมณ์ดีตามมาถ้าใครด่าแล้วมันมาด่าว่ากูเนี่ยวะาเดี๋ยวต้องเล่นมั น, นหน่อยต้องดามั น, นหน่อยนี่ก็อารมณ์เสียก็จะตามมา คำถามจากคุณบ้านฉเมา่คอฟฟี่คนที่เสียชีวิตไปแล้วถือว่าผู้นั้นหมดบุญหรือหมดเวรหมดกรรมกันแน่คะอ๋อหมดเวลาที่จะมาทำบุญหรือทำบาปเพราะพบมนุษย์นี้เป็นพบที่เรามาทำบุญทำบาปกันได้พบเอื่นนี้เป็นที่ไปรับผลบุญผ ล, ผลบาปกัน หลวงพ่อคะแล้วคนที่อายุยืนมากๆค่ะเป็นคนมีบุญมากหรือเป็นคนมีบาปมากคะก็แล้วแต่ว่าอยู่ยืนแบบไหนยืนแบบทุกข์หรือยืนแบบสุขนะถ้ายืนแบบสุขก็มีบุญมากยืนแบบทุกข์ก็มีทุกข์มากครับต่อไปเป็นคําถามมีมีผู้โทรมาฝากคําถามไว้นะครับพระอาจารย์เมตตาตอบเลยนะครับ มีกลุ่มกลุ่มหนึ่งหัวหน้ากลุ่มที่ทุกคนในกลุ่มเคารพนับถือรับรองผู้หญิงท่านหนึ่งว่าเป็นพระอนาคามีแต่วันหนึ่งผู้หญิงท่านนี้ไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งในกลุ่มซึ่งมีลูกมีสามีแล้วเชิงชู้สาววงเล็บผู้หญิงอนาคาเมีเป็นทอม แต่เมื่อเรื่องแดงหลายคนในกลุ่มไปถามผู้หญิงท่านนี้ว่าเป็นพระอนาคามีผิดรูปผิดเมียคนอื่นได้หรือผู้หญิงคนนั้นตอบว่าได้แต่แค่โดนลดระดับจากอนาคามีลงไปอีกขั้น <c oughs> คำถามข้อที่หนึ่งผู้ได้พระอนาคามีแล้วลดลำดับท่านได้หรือไม่และผิดรูปผิดเมียคนอื่นไม่ผิดจริงหรือไม่ไม่ลดหรอกแล้วก็ไม่ยาก เห็นอะไรก็เป็นสุอสุภะไปหมดเห็นร่างกายใครก็เห็นขี้เห็นเยี่ยวมันก็จะไม่เกิดการอารมณ์ขึ้นมาอข้อที่สองผู้รับรองบอกว่าตนได้หรือเป็นพระโพธิยานจริงหรือไม่และสามารถรับรองท่านอื่นได้หรือไม่ก็อยู่ที่ว่าท่านมี อ, อมีอะไรมายืนยันความเป็นอะไรของท่านอ ถ้าท่านมีก็ท่านก็เป็นได้อันนี้ก็ไม่มีใครรู้เรื่องของในใจของแต่ละคนนอกจากพระอรหันต์ด้วยกันหรือพระพุทธเจ้าที่จะรู้ได้ว่าอคนนี้บรรลุแล้วแบบไม่บรรลุจะรู้ได้ก็ต้องฟังเขาว่าเขาบรรลุอย่างไงเหมือนกับหมอด้วยกันนะถ้าเจอกันหมอปอมมาเล่าให้ฟังว่าเป็นหมอเราก็หมอจริงก็ถามสอบถามได้ ถามไม่กี่คำก็รู้ว่าเป็นหมอจริงหรือหมอปลอมเอชันใดพระปลอมก็เหมือนกันพระอริยะปลอมถ้าเจอพระอริยะจริงเดี๋ยวพระอริยะจริงถามคําถามสักสองค็ถามก็จะรู้เองว่าจริงหรือปลอมแต่ ถ, enzymes, ถ, ถ้าเราไม่ได้เป็นพระอริยะเราเป็นปุถุชนนี่เราจะไม่รู้ว่าเขาโกหกหรือพูดความจริงเหมือนกับหมอหมอจริงหรือหมอไม่จริงนี่ถ้าเราไม่ได้เรียนหมอมาเราจะไม่รู้ เขาจะมาบอกว่าเขาเป็นหมอชำนาญ ท, ทางนู้นทางนี้เราก็ฟังแล้วก็มีแต่เออก็ได้แต่ฟังเท่านั้นในลักษณะนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าให้ใช้การลมาสูดคือให้ฟังหูไว้หูเขาบอกว่าเขาเป็นอะไรถ้าเรายังพิสูจน์ไม่ได้เราก็อย่าไปเชื่อแต่เราก็ไม่ต้องไปปฏิเสธเพราะเขาอาจจะพูดความจริงก็ได้หรือเขาอาจจะพูดความเท็จก็ได้ แต่เมื่อเราไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าเป็นความจริงหรือเป็นความเท็จเราก็ต้องแขวนไว้ก่อนอย่าไปปักใจไปทางใดทางหนึ่งอย่าไปปักใจว่าเป็นความเท็จหรืออย่าไปปักใจว่าเป็นความจริงไว้รอเวลาหรือรอมีผู้ที่เขาฉลาดรู้มาพิสูจน์แล้วมายืนยันอีกครั้งหนึ่งแล้วรอค่อยเชื่อกันต่อไปข้อที่สามนะครับ ถ้าเป็นเรื่องหลอกลวงจะช่วยท่านอื่นๆในกลุ่มอย่างไรดีคะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คนในกลุ่มทังต้องใช้หลักการนำมาสูจนกันทุกคนไงคือต้องถ้ายังไม่รู้ด้วยตนเองไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองก็ต้องอย่าเพิ่งไปเชื่อแต่ก็อย่าเพิ่งไปปฏิเสกก็ต้องระมัดระวังตัวอย่าให้เขาหลอกให้เราไปทาอะไรแล้วเราเสียหาย หลอกให้เราทำบุญหลอกเอาเงินอทองเราไปใช้หมดไปกินหมดอย่างนี้เราก็ต้องมีความระมัดระวังถ้าทำก็ทำพอตามพอสมเหตุสมผลทำพทำตามพอประมาณไปหรือถ้าเขาให้ปฏิบัติแล้วก็ลองปฏิบัติ ด, ดูถ้าปฏิบัติแล้วมันไม่ได้ผลก็ต้องสงสัยแล้วว่าเป็นเพราะว่าเราปฏิบัติไม่ถูกหรือว่าเขาสอนไม่ถูก อันนี้ก็ต้องมีความเราระมัดระวังแล้วถ้าไม่มั่นใจก็ควรไปศึกษากับผู้ที่รู้จริงถ้าหาผู้ที่รู้จริงได้ก็ลองไปศึกษาดูแล้วก็อาจจะได้เปรียบเทียบกันว่าเป็นอย่างไรอันนี้ก็ยังต้องระมัดระวังคาถามข้อต่อไปจากคุณสิทธนาทนะครับ เมื่อคืนทำสมาธิแล้วเกิดมีเสียงฟ้าผ่าขณะทำสมาธิหนึ่งครั้งอาการแบบนี้เคยเกิดมาแล้วเมื่อหนึ่งถึงสองปีก่อนทำให้เกิดข้อสงสัยว่าอาการแบบนี้เพราะเราตกภวังแล้วสติตามไม่ทันหรือว่าเรากำลังเข้าสู่ความสงบครับเมื่อผมได้ยินเสียงก็เกิดข้อสงสัยแต่ก็ทำสมาธิต่อไปโดยที่ทิ้งไม่ได้สนใจอาการนั้นไป อย่าไปสนใจดีกว่าอย่าไปสงสัยว่ามันเป็นอะไรหน้าที่ของเราเราต้องใช้หลักตายลักษ์เวลาพบปะกับอะไรให้พิจารณาว่าไม่เที่ยงเกิดแล้วดับถ้าไปสนใจไปสงสัยจะทำให้เราทุกข์ไปเปล่าๆนั้นอย่าไปสนใจให้รู้ว่าเขามาแล้วเขาก็ไปก็แล้วกันหน้าที่ของเราก็คือให้ใจเราเป็นปกติ ไม่ไปสงสัยไม่ไปวุ่นวายไม่ไปเดือดเนื้อร้อนใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วหายไปแล้วมันมาแล้วหายไปแล้วมันจะดีจะชั่วมันก็ผ่านไปแล้วขอให้เรารักษาใจของเราให้เป็นปกติไว้อันนี้สำคัญกว่าคำถามจากคุณ อ, อดาดานะครับเราจะระงับความโกรธด้วยคานินทาว่าร้ายเวลาทำงานได้อย่างไรคะ ก็ซ้อมไว้ก่อนสิเราเขาด่าเราอย่างไรเราอยู่ที่บ้านเราก็ดูที่กระจกเราแล้วก็ด่าตัวเรา ha, นี่หานี่มึงนี่ส <laughs> อมไวแล้วเวลาไปเจอเราก็จะได้เฉยๆได้ <laughs> ก็เรายังด่าตัวเราได้ทําไมคนอื่นมาด่าเราไม่ได้มันก็คําด่าเหมือนกันใช่ไหมออันนี้ก็วิธีหนึ่งแต่เราต้องยอมจริงๆต้องยอมให้เขาดา่าถ้าเราไม่ยอมให้เขาดา่าเราก็จะทุกข์เนี่ยที่เราทุกข์เพราะเราไม่อยากให้เขาด่าเรา แต่ถ้าเรายอมรับว่าเราอยู่ในโลกนี้เราไปห้ามคนไม่ได้ห้ามคนชมเราไม่ได้ห้ามคนด่าเราไม่ได้ดังนั้นเราต้องปล่อยเขาเขาอยากจะด่าก็ปล่อยเขาด่าไปเขาอยากจะชมก็ปล่อยเขาชมไปก็มีเท่านั้นเข้าหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไปอย่าเอามาแบกเป็นก้อนหินบางทีแบกทั้งวันแบกทั้งตัดเช้าเขาด่าตั้งแต่เช้ า, า, า, ชาบ่ายนี้ยังแบกอยู่คำถามจากคุณพัชรานะครับ บทขัดที่มาก่อนบทสวดคืออะไรคะเช่นบทขัดธรรมจักก่อนบทสวดเอวามเมเราจะสวดบทขัดไหมคะมันก็เป็นชั้นเชิงขั้นตอนของการสวดเท่านั้นแหละมันมันไม่มีสาระสำคัญอะไรหรอก เป้าหมายของการสวดนี้ก็เพื่อควบคุมใจเราไม่ให้ไปคิดถึงขนมนมเนยไปคิดถึงแฟนเท่านั้นเอง <S <S <ฮ>เพื่อใจเราจะได้สงบจะได้หายวิตกกังวลกับเรื่องราวต่างๆจะขัดก็ได้ไม่ขัดก็ได้นะไม่เป็นปัญหาข้อสาคัญขอให้เราไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วทําให้เราเกิดความวุ่นวายใจเท่านั้นเองที่สวดนี้ก็เพื่อให้ใจดรลืมเรื่องราวต่างๆเพื่อเราจะได้สงบจะได้สบายใจ เวลาเราทุกข์กับใครเรามาสวดมนต์กันสวดไปสักระยะหนึ่งครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเดี๋ยวเราก็ลืมเรื่องที่ทำให้เราวุ่นวายใจกันนี่คือเป้าหมายของการสวดมนต์ข้อที่สองนะครับวันที่ป่วยหนัก พี่พุ ท, ธพทธโธไม่ได้เลยจิตมันถูกกระชากไปด้วยการเจ็บที่นั่นที่นี่ไข้สูงทั้งอาเจียนทั้งขับถ่ายเลี่ยราดนึกด้วยซ้ำว่าวาระสุดท้ายกายมันเป็นเช่นนี้เองได้แต่พิจารณาแบบนี้แทนการภาวนาค่ะขอบารมีพระอาจารย์เมตตาช่วยได้ถ้าเราใช้พุทธโธไม่ได้เราก็ใช้ปลงไปเลย มันเจ็บก็เจ็บไปทำอะไรได้นะจะให้มันหายมันก็ไม่หายก็ให้มันเป็นไปมันจะเป็นยังไงก็ให้มันเป็นไปมันจะตายก็ให้มันตายไปถ้าเราปรองได้แล้วใจเราก็จะเบาใจเราก็จะสงบอย่าไปฝืนอย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากให้มันไม่ตายถ้าอยากแล้วมันจะทำให้เราหนักอกหนักใจเครียดจะทรมานใจ เราต้องยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้สักวันหนึ่งมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายไม่มีใครที่จะไปะยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายได้แต่เราไม่ต้องทุกข์กับมันได้ถ้าเราปล่อยมันให้แก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไป คำถามจะคุณสมศรีนะครับถือศีลแปดแล้วเผอยือนดื่นน้ำดื่มน้ําศีนจะดังพ้อยไหมคะเป็นคาราวาสก็ไม่ห้ามหรอกอันนี้เป็นเป็นศีนของพระพระนี้เวลาจะดื่มอะไรต้องสวยงามไม่ให้ทําแบบคาราวาสคาราวาสนี้เขาไม่มีกฎระเบียบจะยืนดื่มก็ได้จะนั่งดื่มก็ได้แม้แต่ปัสสวะนี้พระก็ต้องนั่งปัสสวะยืนไม่ได้ เพราะเขาถือว่าไม่สวยงามทั้งๆ ท, ที่ไม่มีใครเห็นก็ยังไม่สวยงามคําถามจากคุณวัดนะครับพระที่อรหันแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอรหันเพราะเราฟังมาจากคนอื่นอีกทีเราก็ต้องไปศึกษากับท่านและปฏิบัติตามที่ท่านสอนแล้วเราปฏิบัติได้เราบรรลุเป็นพระอรหันเราก็จะรู้ว่าท่านเป็นพระอรหัน เพราะถ้าไม่เป็นพระอรหันต์ก็จะสอนให้เราเป็นพระอรหันต์ไม่ได้อีกวิธีหนึ่งก็ต้องรอให้ท่านตายดูว่ากระดูกของท่านกลายเป็นพระาธาตุไปหรือเปล่าแต่วิธีนี้ก็ไม่แน่นอนเพราะพระอรหันต์บางรูปกระดูกไม่เป็นพระาธาตุก็มีขึ้นอยู่กับเวลาที่ท่านเป็นพระอรหันต์ว่านานหรือไม่นานก่อนจะตายถ้าเป็นเวลานานจิตของพระอรหันต์นี้จะซักพอกกระดูกให้เป็นาธาตุได้ แต่ถ้าเป็นตับแล้วก็ตายเลยนี่จะไม่มีเวลาซักพ่อกระดูกกระดูกก็จะไม่เป็นพระธาตุอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งก็ถ้าตายแล้วกระดูกท่านเป็นพระธาตุก็แสดงว่าท่านเป็นพระอรหันต์แต่ถ้ายังไม่เป็นก็ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้เป็นอันนี้เราก็ต้องต้องใช้วิธีอื่นวิธีอื่นก็ต้องอาศัยพระอรหันต์กับพาาาระหลันมารับรองกันเช่นพระพุทธเจ้าจะรับรองพระรูปนั้นพระรูปนี้ว่าเป็นพระรอรหันต์ แต่สมัยนี้เราไม่มีพระอรหันตรับรองกันอันนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจก็แล้วกันถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นก็เราก็อย่าไปอย่าไปคิดว่าเป็นหรือไม่เป็นก็เป็นก็เรื่องของท่านไม่เป็นก็เรื่องของท่านสําคัญเราเป็นหรือไม่เป็นจะดีกว่ามาดูตัวเราดีกว่าเราเป็นหรือไม่เป็นถ้าไม่เป็นก็รีบทําให้มันเป็นซะจะได้หมดปัญหาไปชอบไปยุ่งกับเรื่องของชาวบ้านเขาทำไม จะคุณวัดอีกข้อนะครับทําไมต้องให้ปัจจัยพระด้วยครับในเมื่อพระฉันมือเดียวส่วนเรื่องเจ็บป่วยก็จเจริญพุโทโธส่วนเรื่องที่อยู่อาศัยก็ตามอัตภาพอ๋อไม่ต้องให้หรอกแต่ทีนี้มันเป็นธรรมเนียมให้กันมาแล้วมันมันก็ <laughs> ต้องให้กันเพราะว่าถ้าไม่ให้เป็นี่มระก็ไม่มีพระไป อ, อะ่ะ <laughs> อ๋ะไม่เชื่อลองดูเลยลองไปนี่มรดกสักครั้งแล้วไม่ให้เงินดูเลย ข้าวหน้าไปนนิมนต์ใหม่ด้วยจะมีไฟหรือเปล่าต้องไปวัดอื่นนะแต่ไปวัดเดิมไม่ไปแน่ๆมันเป็นธรรมเนียมไปแล้วอความจริงมันสมัยก่อนก็ไม่มีให้เงินของพระถ้าจะให้ก็ให้ขอบวัดไปให้วัดไปใช้สําหรับค่าใช้จ่ายของทางวัดเช่นซ่อมกุฏิซ่อมโบสถ์ซ่อมเจดีย์มันต้องมีค่าใช้จ่ายแต่ทีนี้มันพอเห็น พอพณิย่าโย่บางทีนิมนต์พระไปบ้านไปสวดก็เลยอะอยากจะให้เงินท่านก็ให้ไปก็เลยทําให้เสียนิสัยกันะเหมือนลูกเราเนี่ยถ้าเราให้เงินลูกมันต่อไปไม่ให้มันมันก็จะด่าเราใช่ไหมพอเริ่มให้มันแล้วมันก็ต้องให้มันอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ให้ตั้งแต่แรกมันก็ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ก็เหมือนกันสมัยก่อนไม่ก็ไม่มีการให้พระพุทธเจ้าห้ามพระแต่ต้องเงินทองไม่ต้องใช้เงินทองอ แต่ต่อมามันก็เริ่มพัฒนากันไปตอนต้นก็ให้วัดก่อนแล้วต่อมาก็นิมนต์พระก็ให้พระบ้างพอให้ตอนต้นก็ให้นิดๆหน่อยๆแล้วต่อไปก็เพิ่มแข่งกันให้พระองค์นี้ระดับนั้นต้องให้แค่นี้องค์นั้นระดับนี้ต้องให้แค่นั้นมันก็เลยให้กันไปส่วนที่พระนี่ก็อยู่ที่ท่านถ้าท่านไม่มีเกเรทท่านรับไปท่านก็ ส่งให้กับวัดต่อไปเป็นสมบัติของวัดไปหรือว่าถ้าท่านจะเก็บไว้ท่านก็เอาไปทำบุญทาประโยชน์ต่อไปแต่ท่านจะไม่ใช้เงินเพื่อให้เกิดโทษกับตัวท่านเองเช่นไปเที่ยวไปซื้อ iPhone ไปซื้อกล้องซื้ออะไรต่างๆมาเล่นมาอะไรอย่างนี้ซื้อของเล่นมาจะไม่ทําแต่ถ้าท่ามีกิเลส ก, ก็จะไปเล่นหมดจะไปซื้อของเล่นจะ ไ, ไปเที่ยวไปอะไรกันหมด คำถามข้อต่อไปนะครับคำ ถ, ถามข้อต่อไปจากคุณกานิกานะครับขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายหลักการวางจิตในการเจริญสมาธิหรือกายเวทนาจิตธรรมเมื้องต้นให้จิตมีสติก่อนขั้นต้นก่อนที่จะไปกายเวทนาจิตธรรมได้นนต้องให้มีสติก่อนให้มีเครื่องมือที่จะไปติดอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมได้ตัวที่จะเกาะติดอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมได้ก็คือสติ ถ้าไม่มี ส, สติมันจะลอยไปที่อื่นมันจะไปหาลูปเสียงกลิ่นรถมันจะไปหาคนนั้นคนนี้ต้องดึงใจให้มันนิ่งก่อนให้มันอยู่กับที่ก่อนต้องใช้สติดึงมันให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปก่อนหรืออยู่กับการกระทําต่างๆของร่างกายไปก่อนพอจิตอยู่กับที่ได้แล้วต่อไปก็ให้มันดูร่างกายว่าเป็นอย่างไรร่างกายนี้เกิดมาแล้วมันแก่มันเจ็บมันตายหรือเปล่าอแล้วห้ามมันได้หรือเปล่าอ แล้วถ้าอยากไปให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอะไรจะเกิดขึ้นจะสุขหรือจะทุกข์ให้ดูตรงนี้ต่อไปเทาจะเห็นว่าเห็นว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาเราก็จะรู้จักวิธีอยู่กับร่างกายแบบไม่ทุกข์ได้ อยู่กับความแก่ความเจ็บความตายแบบไม่ทุกได้ <Yeah. S 1> เพราะเราจะหยุดความอยากต่างๆเราจะไม่ทำให้ให้มีเกิบความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ <Yeah. S 1> อันนี้ก็คือการจอนของปฏิบัติเ <Yeah. S 1> ช่นเดียวกับเวทนาเช่นเดียวกับจิตมันก็เป็นลักษณะเดียวกัน yeah. คำถามจากคุณพรนะครับสวดมนต์ทุกครั้งไม่ได้จุดธูปเพียนเพราะที่พักเป็นห้องเช่าและตัวเองแพ้ควันธูเจ้าค่ะก็เลยไม่ได้จุดธูปเพียนแบบนี้มันผิดหรือถูกอย่างไรเจ้าคะไม่ผิดไม่ถูกละไม่จําเป็นจะจุดก็ได้ไม่จุดก็ได้ไม่ได้เป็นสาระสําคัญในการปฏิบัติ พระพุทธเจ้าไปนั่งนั่งใต้โคนต้นโพก็ไม่ได้มีทูบเทียนถ้านั่งหลับตาแล้วก็ทําใจให้สงบเจริญสติสมาธิปัญญาที่นี่คือเราต้องการสิ่งที่เราต้องการก็คือสติสมาธิปัญญาจากการที่เราสวดมนต์คำถามจากคุณปาณีนะครับตอนนี้ออกงานแล้วข้างรู้สึกเบื่อซึมเศร้าเหงาว้าเวไปรักษาศีล รู้สึกว่ามีความสุขกว่าอยู่ที่บ้านแต่ uh huh. ขอไม่อ่านแล้วกันนะครับเพราะ uh huh. <laughs> เขียนไม่รู้เรื่องเดี๋ยวพักเดี๋ยว do you want to leave you, because you don't understand anyway so feel free to do so no k a y see you next time มัน y มาจากสิงคโปร์เนี่ยมาสาวอาทิตย์ศุก ส, สาอาทิตย์เนมามาทำบุญ มื่ได้มาเที่ยวนะไปวัดนู้นมาไปอยู่ประมาณสามวัดหนึ่งวัดที่นี่วัดอาจารย์ตันวัดดอสโวการาม Where else do you go beside these three temples? No, just these three temples. ขะอยู่สิงคโปร์ยังบินมาทำบุญที่เมืองไทยนีศรัทธามาบ่อยปีอย่างสี่ห้าครั้งมาอยู่เรื่อยๆโอเค Have a safe journey home. Okay. ถามข้อต่อไปจต่คุณกันกันยาเข้มนะครับคําถามยาวแต่ขอย่อเลยนะครับที่บ้านไม่ได้แยกหม้ อ, อทํากับข้าวกับะระหว่างทานเองกับถวายพระอย่างนี้ผิดไหมครับเไม่ผิดหรอกก่อนที่เราจะกินเราก็แยกได้แนี่ยเราก็ตักออกของที่เราจะถวายพระเราก็แยกไว้ส่วนหนึ่งแล้วเราก็พอแยกเสร็จแล้วเราก็เอามาตักกินของเราได้ คาจริงถึงแม้ไม่ยากก็ไม่เป็นไรถ้ามันไม่ได้เป็นของเหลือเดนคือถ้ายังอยู่ในหม้ออยู่เราตักบางส่วนที่ไปกินส่วนที่เหลืออยู่ในหม้อถ้าเราจะตักไปถวายพระก็ยังได้อยู่เพียงแต่ว่าในสายตาของของคนทั่วไปก็จะมองในลักษณะว่าไม่เหมาะสมเพราะเราถือว่าพระสูงกว่าเราเราก็อยากจะแยกให้เกียรติกับท่านยกย่องท่านของของท่านเราก็จะ แยกไว้ไม่ไม่ไปแตะไปต้องไม่มาปนกับของของเราคือเราจะไม่อยากจะดึงตัวเราขึ้นสูงเท่าท่านหรือดึงตัวท่านต่ำลงเท่าเราอันนี้เป็นเพียงความคิดเท่านั้นเองแต่ความจริงมันก็เหมือนเดิมอาหารจะแยกหรือไม่แยกมันก็เป็นอาหารเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้สูงมันไม่ได้ต่ำอะไรคําถามจะเป็นพระสงฆ์นะครับจากมาสเตอร์นะครับ ถ้าเราเก็บจีวรที่เขาทิ้งมาคองถือว่าผ้าจีวร น, นั้นเป็นผ้าบางสกุลถูกไหมครับได้ผ้าที่ทิ้งแล้วไม่มีเจ้าของเราหยิบมาใช้ก็เป็นเหมือนสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลนี่ญาติโยมระยะเริ่มแรกๆยังไม่มีการถวายผ้าจีวรให้กับพระพระต้องไปหาเศษผ้าที่เขาทิ้งตามปา่าช้าทิ้งตามกองขยะ แล้วก็เก็บมาผสมเล็กผสมน้อยพอได้ปริมาณที่ต้องการพอกับการมาเย็บกี่วนันก็เอามามาปะมามาเย็บมาเตัดมาต่อกันแล้วก็ไปซักย้อมด้วยน้ําที่ต้มด้วยแก่นไม้มันก็จะออกเป็นสีเหลืองๆเป็นผ้ากาลสาวาพัดขึ้นมาต่อมาเมื่อมีศรัทธามากขึ้นมีผูกผ้ามาบวชมากขึ้นก็เลยมีการตัดผ้าถวายให้กับพระพระบงสุขุนก็เลยหมด บวดยุบไปสมัยนี้มันเลยไม่มีใครรู้จักข้อว่าผ้าบางสกุลนี้เป็นผ้าอะไรกันเพราะบวชปั๊บก็มีผ้าเป็นสำรับเรียบร้อยตัดเย็บมาถวายกันแต่สมัยโบราณนี่มันไม่มีอย่างนั้นสมัยยุคแรกๆของพระพุทธศาสนานี้พระต้องไปหาเศษผ้ามามาเก็บรวบรวมมาไว้พอได้จำนวนที่พอกับการตัดเย็บจีวรก็เอามาตัดเย็บกัน คือผ้าทิ้งแล้วหรือผ้าบางสกุลหรือผ้าหอศพเนี่ยคำถามสุดท้ายนะครับจะคุณตามรอยพ่อนะครับเวลากลาบพระหรือไหว้พระจะเห็นภาพสถานที่ต่างๆเกิดจากอะไรครับสาเหตุอะไรพอนี้ิผูเจ้าบอกว่าอย่าไปสนใจเรื่องสาเหตุว่ามันมาอย่างไรไปอย่างไรให้ดูว่ามันเป็นอย่างไรก็พอ หรือว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูว่ามันเกิดแล้วมันดับหรือเปล่าถ้ามันเกิดแล้วมันดับแล้วเราห้ามมันได้เปล่าสั่งมันได้เปล่าถ้ามันไม่เที่ยงมันห้ามมันไม่ได้มันจะเกิดมันก็จะเกิดมันจะดับก็ดับก็อย่าไปยุ่งกับมันปล่อยมันไปปล่อยวางเท่านั้นเองเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่ต้องมาถามคาถามนี้ทุกอย่างมันเกิดมันดับมัน มันไม่มีสาระอะไรถ้ามันมีสาระก็ามาพิจารณาดูว่ามันเกิดแล้วทำให้เรารวยขึ้นหรือเปล่าถ้ารวยขึ้นก็เราก็เอามาใช้ถ้าเกิดแล้วทำให้เราจนลงเราก็อย่าเอามาใช้ท่านน้ำมันโผล่ขึ้นมามันบอกให้เราไปป้นไปจี้นี่เราก็อย่าไปทำตามมันถ้ามันบอกให้เราไปทำงานไปเก็บเ ง, งินเก็บทองอันนี้เราก็ไปทำตามมัน แล้เราใช้ปัญญาแยกแยะว่าสิ่งที่ปรากฏนี้เราสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็โยนทิ้งไปเหมือนกับเราไปเก็บของตามทางของบางอย่างก็มีค่าของบางอย่างก็ไม่มีค่าไม่มีค่าเราก็โยนทิ้งไปของมีมค่าเราก็เอาไปขายหรือเอาไปทำประโยชน์ต่อไปก็มีเท่านั้น จากพระพิสุงสงอีกหน่อยนะครับรพระอาจารย์อผ้าบางสกุลก่อนเราจะทองเราต้องอธิษฐานก่อนหรือไม่หรือต้องพูดอย่างไรไัหมก็ทําเหมือนการผ้าตกปกติทั่วไปก็ต้องมีการพินทุทําเครื่องหมายไว้ว่าเป็นของเราเพราะผ้ามันมีเหมือนกันถ้าเราไม่ทํามีเครื่องหมายไว่าเดี๋ยวไปแขวนไวท้ที่ใกล้ๆกันเดี๋ยวหยิบผิดหยิบถูกได้จะให้มีทําพินทุก็คือให้ทําจุดไว้สามจุดในมุมใดมุมหนึ่งแล้วพอเราสงสัยว่าเป็นผ้าของเราหรือเปล่าแล้วก็ไปดู มุมที่เราทำไว้เราก็จะได้รู้ว่าเป็นผ้าของเราหรือเปล่าแล้วก็ให้อธิษฐานว่าเป็นผ้าครองหรือเป็นผ้าอะไรทุกครั้งที่จะใช้ด่านี้ผ้าต้องอธิษฐานคือต้องตั้งจิตทำความเข้าใจว่าผ้าผืนนี้ใช้เพื่ออะไรผ้ามีใช้แบบเป็นผ้าครองใช้เป็นผ้าใสาก็ต้องทำอธิษฐานไปอีกคำถามครับก็ ทำจากคุณวีนะครับทำอย่างไรให้เราเชื่อว่าชาติก่อนและชาติหน้ามีจริงเพื่อให้เราอยากเร่งความเพียรปฏิบัติทำสมาธเออิเราก็ต้องภาวนาเนี่ยจนินั่งสมาธิถ้าจิตสงบแล้วเราก็จะได้แยกตัวเราจะออกจากร่างกายเราก็จะได้ดูว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนเสื้อผ้าส่วนตัวเรานี้เป็นเหมือนร่างกาย ร่างกายไม่เปลี่ยนใช่ไหมเวลาเราเปลี่ยนเสื้อผ้าเสื้อผ้าใช้ไปสักพักมันเก่ามันขาดเราก็เปลี่ยนเราก็ซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่มาเวลาเรานั่งสมาธิใจกับร่างกายมันก็จะแยกออกจากกันเราก็จะรู้ว่าออกเวลาร่างกายตายไปใจที่แยกออกจากร่างกายนี้มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็ใจนี้มันมาจากร่างกายอันเก่าร่างกายอันเก่ามันตายไปมันก็เลยมาได้ร่างกายอันใหม่อันนี้ พอร่างกายอันอันนี้มันหมดไปมันก็ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปถ้ามันยังมีความอยากอยู่ถ้ามันไม่มีความอยากมันก็ไม่ไปมันก็ไปนิพพานแทนเอาแล้วนะหรืว่าพอสมควรแก่เวลาอ่ะยังมีคำถามอยู่เนี่ยเดี๋ยวถือไม่นะเพราะคนอื่นจะได้ยินด้วยให้เวลาเราคำถามเป็นประโยชน์ พูดใกล้ๆหน่อยพระอาจารย์คะน้ำมัสการค่ะชะสอบถามเป็นเรื่องคาใจมาสักพักใหญ่ๆแล้วคะ่ะคือที่บ้านเลี้ยงแมวอ่ะค่ะแล้วเป็นแม่แมวเขาก็คลอดลูกออกมาอ อ, ออกลูกมาคะ่ะคราวนี้ก็เลยสงสารเขาเพราะว่าเขาผอมมากก็เลยอยากจะพาไปทํำมันก็กลัวว่าจะเป็นบาปตออไม่บาปหรอกทํำมันไม่ได้ไป็นบาปเลยไม่ได้ไปฆ่าใคร บาปจะเกิดจากการฆ่าการทำหมันให้เป็นการป้องกันไม่ให้มีการเกิดแท่นั้นเองขอบคุณค่ะไม่บาปแต่อย่างใดอ่านแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเพนิสเจรจนาะไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปทธอ